เรื่องศา ส, สนาภายนอกและภายในท่านพระอาจารย์มั่นสอนว่าอิริยาบถ ท, ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนนั้นนะสร้างบุญขึ้นมาได้เช่นเราเดินไปก็ระลึกพุทโธไปเรานั่งอยู่ก็ระลึกพุทโธเรานอนอยู่ก็ระลึกพุทโธพยายามทำให้มันติดต่อ ทำการทำงานก็ระลึกพุโทโธอยู่อย่างท่านไปสอนชาวบ้านนอกนะถึงฤดูทำไร่เขาไปด่ายา่าสับจอบซับเสียมลงดินก็ให้ระลึกพุโทโธเวลาเกี่ยวข้าวก็เหมือนกันแหละเกี่ยวกอหนึ่งก็พุโทโธเกี่ยวกอสองก็พุโทโธหมายความว่างานที่เราทำก็ได้บุญเราก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของบุคคลผู้มีปัญญา ทำการงานทุกอย่างอย่าทิ้งพุทโธเพราะเหตุไรเพราะว่าบุญเกิดจากใจบุญนั้นไม่ได้เกิดแต่การบริจาคทานอย่างเดียวบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนาเป็นบุญที่สามารถทำได้ไม่เลือกบุคคลไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าหรือเด็ก หญิงหรือชายหรือคนเจ็บป่วยก็ตามสามารถทำได้คนที่มีสติปัญญายืนเดินนั่งนอนก็เป็นบุญแล้วทำการทำงานก็เป็นบุญทุกสาขาอาชีพที่เป็นอาชีพบริสุทธิ์ถ้าเราระลึกพุทโธคราวใดบุญก็เกิดขึ้นคราวนั้นไม่ต้องหาไกลคนมีปัญญาไม่ต้องหาไกลหาอยู่ในกาย หาอยู่ในวาจาหาอยู่ในจิตศา ส, สนานั้นอยู่ในท่าสี่ขันห้าอายตนะหกท่านบอกว่ามีกล่าวไว้ในคำพีวินยัยขันธปัญญาธาตุอายตนะอยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ในตัวเราห ร, อหรือเพราะเหตุนั้นศา ส, สนาจึงอยู่ในตัวเราสมบูรณ์แบบไม่บกพร่อง นอกจากเราจะเสริมสร้างให้มันเพื่อให้เรารู้จักศาสนาในตัวของเรานี่คือบุคคลผู้ที่เป็นพุทธแท้ท่านบอกอย่างนั้นศา ส, สนายัางแบ่งออกเป็นศาสนาภายนอกและศาสนาภายในศา ส, สนาภายนอกคือพระสงฆ์สามนเณรวัดกุฏิวิหารศาลาการประเรียนเจดีย์เป็นต้น ส่วนศาสนาภายในคือศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่แล้วตั้งอยู่ในบุคคลแต่บุคคลไม่รู้ว่าอะไรคือศาสนาภายนอกภายในการบำรุงพระพุทธศาสนาเราจะต้องบำรุงไปพร้อมกันภายนอกก็บำรุงภายในก็บำรุงถ้าเราจะบำรุงแต่ภายนอกทิ้งภายในเสีย เราก็ไม่รู้จกักศาสนาอยู่ในตัวเราเองอุปมาเปรียบเหมือนทุกคนมีสองขาขาหนึ่งมัติดไว้เสียไม่ใช่หมายความว่าเราเดินได้แต่ไม่สะดวกนั่นคือรักษาแต่ศาสนาภายนอกศา ส, สนาภายในไม่รักษาเหมือนกันกับรักษาศาสนาภายในภายนอกไม่รักษา ก็เปรียบเหมือนมีสองขาแต่ใช้ขาเดียวเพราะฉะนั้นการบำรุงศาสนาจึงต้องบำรุงไปพร้อมกันทั้งศาสนาภายนอกและศาสนาภายในผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนมากจะไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านจึงว่าทำอะไรให้มีสติปัญญา